ขิลานสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงพระประชวนข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวลุวคามเขตกรุงเวสาลีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเข้าจำพรรษารอบกรุงเวสาลีตามที่ที่มีเพื่อน ตามที่ที่มีคนเคยคบกันตามที่ที่มีคนเคยคบกันมาเราก็จะเข้าจาพรรษาในเวลุวคามนี้เหมือนกันภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าจําพรรษารอบกรุงเวสาลีตามที่ที่มีเพื่อนตามที่ที่มีคนเคยคบกันตามที่ที่มีคนเคยคบกันมาส่วนพระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้าจาพรรษาในเวลุวคามนั้นเอง ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้วทรงพระประชวนอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนจีนปรินิพานพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่พรั่นพึงทรงพระดําริว่าการที่เราไม่บอกผู้อุปถากไม่อัมลาภิกษุสง์ปรินิพานนั้นไม่เหมาะแก่เราทางที่ดีเราควรใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้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 แม้รมก็ไม่ปรากฏแก่ฆ่าพระองค์อีกแล้วเพราะพระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาคแต่ฆ่าพระองค์ก็ยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปราลรบิกสุสงแล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาโนนภิกสุสงยังจะวังได้อะไรในเราอีกเล่า ธรรมที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มีนอกในเรื่องธรรมทั้งหลายตถาคตไม่มีอาจริยะมุติผู้ที่คิดว่าเราเท่านั้นจะเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักผู้นั้นจะต้องปรารบภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แต่ตถาคตไม่คิดว่า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 ขีลานสูตรที่9จบ 10. พิขุนูปัสยสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมในสำนักภิกษุณีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานน์ครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเข้าไปยังสำนักพิษุนีแห่งหนึ่งนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นภิกษุณีหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานน์ดังนี้ว่าท่านอานนภิกษุนีจำนวนมากในพระธรรมวินัยนี้มีจิตตั้งมั่นดีในสติปฐานสี่ประการอยู่ ย่อมรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อนท่านพระอานนนกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จากรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อนจากนั้นได้ชี้แจงให้ภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมิกรทาแล้วลุกจากอาสนะจากไปต่อมาท่านพระอาหน์เที่ยวบิณบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาต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 ภิกษุณีจำนวนมากเข้ามาหาข่าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับข่าพระองค์ดังนี้ว่าท่านอานนนภิกษุณีจำนวนมากในพระธรรมวินัยนี้มีจิตตั้งมั่นดีในสติปฐานสประการอยู่ย่อมรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้ว ข้าพระองค์จึงกล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีในสติปฐานสี่ประการอยู่ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจะรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษที่มีอยู่ก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์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 สติประธานสี่ประการอะไรบ้างคือพิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนในกายที่มีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นบ้างจิตโหดหูบ้างจิตฟุ้งซ่านไปภายนอกบ้าง ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้ที่นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งปราโมทย่อมเกิดเมื่อมีปราโมทีติย่อมเกิดเม e iti, ื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอพิจารณาเห็นว่า เราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราเอาเถิดบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้ไม่ตรึกและไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีสติในภายในมีความสุข 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4.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 เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษฐ์อย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้คือคําพร่ำสอนของเราสําหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคภิกขุลปัสยสูตรที่สิบจบอามพปาลิวักที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อัมพปาลิสูตร 2. สติสูตร 3. ภพิกุสูตร 4. สาระสูตร 5. อากุสละราสิสูตร 6. สกุนักชีสูตร 7. มรกระทสูตร 8. สูทสูตร 9. ขคิลานสูตร 10. พิขุโนปัสยสูตร 2. นาลันทวักหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนาลันทา 1. มหาปุริสสูตรว่าด้วยมหาบุรุษ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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตย่อมคลายกำนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นสองพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายสามพิจารณาเห็นจิตในจิตสี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 มหาปุริสสูตรที่หนึ่งจบสนารันทสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่เมืองนารันธาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาริกรัรมพวัน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 ซึ่งจะมีปัญญาในทางสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการด้วยใจแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นทรงหลุดพ้นอย่างนี้มิได้กำหนดรู้พระพุทธเจ้าค่าสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการด้วยใจแล้วหรือว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีเสียงอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงหลุดพ้นอย่างนี้ มิได้กําหนดรู้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกําหนดรู้ใจเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานี้ด้วยใจแล้วหรือว่าแม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพระเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงหลุดพ้นอย่างนี้มิได้กําหนดรู้พระพุทธเจ้าข้าสารีบุตรในเรื่องนี้เธอไม่มียางกําหนดรู้พระไทยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดเธอจึงกล่าวอสภิวาจาอย่างยิ่งนี้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 ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองชายแดนของพระราชามีรากฐานมั่นคงมีกำแพงและป้อมค่ายแน่นหนาะมีประตูเดียวนายประตูของเมืองนั้นเป็นคนฉเหลียวฉลาดหลักแหลมห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้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 ทรงละนิวรณ์หประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสประการทรงเจริญโพชทชงเจ็ประการตามความเป็นจริงได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิธญาณอันยอดเยี่ยมแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตกาลทรงละนิวรณ์หประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตทอนกําลังปัญญา มีพระไทยมั่นคงดีในสติปฐานสี่ประการทรงเจริญพชทชงเจ็ประการตามความเป็นจริงจากตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็สรงละนิวรณ์หประการอันเป็นความเศร้ามองแห่งจิตทอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปฐานสประการ ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดประการตามความเป็นจริงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมดีละดีละสารีบุตรเพราะเหตุนั้นเธอพึงกล่าวธรรมบัญญายนี้หนึ่งเนืองแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาทั้งหลายด้วยว่าโมฆะบุรุษเหล่าใดจะมีความเคลือบแคลงหรือความสงสัยในตถาคตโมฆะบุรุษเหล่านั้น จากละความเคลือบแคลงหรือความสงสัยในตถาคตเพราะได้ฟังธรรมบัญญายนี้นาลันทสูตรที่สองจบ 3. จุนทสูตรว่าด้วยจุนทะสมะนุเทศ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเคกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ณบ้านนาลกะคามแคว้นมคธอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักอันหนึ่งจุนทะสมะนุเทศเป็นผู้ปรนิบัติท่านครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรปรินิพานด้วยอาพาธนั้นแหลทีนั้น จุนทะสมนุเทศจึงถือบาทและจีวรของท่านพระสารีบุตรเข้าไปหาท่านพระอานนนถึงพระเชตวันไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนนดังนี้ว่าท่านสารีบุตรปรินิพานแล้วขอรับนี้บาทและจีวรของท่านท่านพระอาหนนกล่าวว่าจุนทะมูลเรื่องนี้ให้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถอจุนทะ พวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเรื่องนี้จุนทะสมณุเทศรับคำของท่านพระอานนอ์แล้วต่อมาท่านพระอานนอ์และจุนทะสมณุเทศเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอาหนอ์เดี๋กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จุนทะสมะุทเทศนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรปรินิพานแล้วนี้บาทและจีวรของท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปลี่ยวประดุดคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังว่าท่านสารีบุตรปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า อานน์สารีบุตรพาเอาศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันหรือวิมุติญาณทัศ น, นขันปรินิพานไปด้วยหรือท่านพระอาโนนทูลตอบว่ามิใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าท่านสารีบุตรไม่ได้พาเอาศีลขันและถึงวิมุติญาณทัศ น, นขันปรินิพานไปด้วย แต่ท่านสารีบุตรได้เป็นผู้ให้โอวาทชักนำให้รู้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงเอาใจใส่ในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพื่อนพรหมจารีข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงโอชะแห่งธรรมโภคธรรมและการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั้นของท่านพระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ต้นที่ใหญ่กว่าพึงโค่นลงแม้ชันใดเมื่อภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นหลักยังดำรงอยู่สารีบุตรปรินิพานแล้วก็ฉันนั้นฉะ น, นั้นจะไปหวังอะไรในสิ่งเหล่านั้นเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปรารถนาว่า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 อุกเจลสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อุกเจลนิคมสมัยหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรและพระมหาโมคลานะปรินิพานได้ไม่นานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำคงคาเขตอุกเจลนิคมแคว้นวัดชีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ประทับนั่งณนะที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชำเรเลืองดูภิกษุสงฆ์ที่นิ่งอยู่แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อสารีบุตรและโมฆลานะปรินิพานแล้วบริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าสารีบุตรและโมฆลานะอยู่ในทิศใดบริษัทของเราไม่ว่างเปล่าไม่มีความห่วงใยในทิศนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นใดได้มีแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นได้มีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับสารีบุตรและโมฆลลานะของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นใดจักมีในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จักมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเหมือนสารีบุตรและโมฆลลานะของเรา ภิกษุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสําหรับสาวกทั้งหลายชื่อว่าสาวกทั้งหลายจะทําตามคําสอนและทําตามคําสั่งของพระศาสดาจากเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่เคารพสรรเสริญของบริษัทสภิกษุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏสําหรับตถาคตเมื่อคู่สาวกเห็นปานนี้ปริยนิพานแล้ว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 ภิกษุเหล่านั้นจะเป็นผู้เลือกกว่าภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาอุกเจลสูตรที่สจบ 5. ะพาหิยะสูตรว่าด้วยพระพาหิยะ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 จงพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภาฮ i ยะเมื่อใดถธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจากเจริญสติประฐานสี่ประการ น, นี้อย่างนี้เมื่อนั้น เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยลำดับนั้นท่านพระพาหิยะชื่นชมยินดีพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาท่านพระพาหิยะก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่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 ในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายภาหิยะสูที่ห้าจบ